รับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะชวนคุณฟังชีวประวัติของโยคีจากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคีโดยท่านปรมหังษายโยคา น, นันทะเป็นตอนที่3ค่ะหนังสือที่เขียนโดยโยคีชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะคะแต่จริงๆแล้วท่านเป็นชาวอินเดียที่ไปเผยแพร่ หลักปฏิบัติในศาสนาฮินดูที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้รับการเคารพนับถือจากชาวอเมริกันอย่างมากมายค่ะแล้วท่านก็ได้เขียนหนังสือบอกเล่าชีวประวัติของท่านเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็คือเล่ม น, นี้นะคะแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยซึ่งก็น่าสนใจมากค่ะ โยคยีก็คือชื่อเรียกนักบวชของทางศาสนาฮินดูนะคะลองมาฟังเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ของนักบวชในศาสนาฮินดูค่ะที่ก็มีเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติอยู่มากมายทีเดียวนะคะอ่านสนุกค่ะแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างด้วย ก็ถือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะถ้าธรรมะนั้นหมายถึงธรรมชาติหมายถึงสัจจะความเป็นจริงไม่ว่าจะเข้าถึงโดยศาสนาไหนก็สามารถพบธรรมะได้วันนี้เป็นตอนที่สเราลองมาฟังนะคะว่าก่อนที่แม่ของท่านยูคานันทะจะจากไปนั้นท่านได้สั่งเสียเขียนอะไรเอาไวใ้ให้ท่านยูคานันทะบ้าง คือท่านได้เขียนจดหมายผ่านการบอกเล่าก็คือท่านไม่สามารถจะเขียนเองได้นะคะแต่ว่าท่านเนี่ยพูดแล้วก็ให้ลูกชายคนโตคืออนันตะเป็นคนจดบันทึกแล้วก็เก็บจดหมายนี้เพื่อมอบให้กับมุกุลทะซึ่งเป็นลูกชายที่มีอะไรบางอยา่าง ไม่เหมือนกับลูกคนอื่ น, นดี๋ฉันต้องขออภัยนะคะคือทอนางมนโทนี่จะเป็นปัญหามากว่าเราจะออกเสียงอย่างไรชื่อของท่านโยคานันทะเนี่ยสะกดด้วยทอนางมนโทสละอะนะคะมุกุนทะก็พยายามเปิดหลักการของราชบัณฑิ ต, ตยสถานนะคะว่าควรจะออกเสียงว่าอย่างไรจะสอบถามไปจาก ไปกับอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์ท่านก็ไม่มีโทรศัพท์นะคะต้องใช้เวลาในการติดต่อถึงท่านก็เบื้องต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะอ่านว่ามุกุลทะถ้าเกิดว่ามีการอ่านเป็นมุกุลดาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าจะมีชื่อเฉพาะที่อ่านตามแบบชาวอินเดียอยู่หลายชื่อซึ่งบางชื่อเนี่ยก็ไม่สามารถจะ ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าที่ถูกแล้วจะเป็นอย่างไรผู้รู้ในเรื่องของภาษาฮินดีก็หาได้ยากเต็มทีนะคะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษเอาเป็นว่าจะขออ่านชื่อของท่านโยคานันทะตอนที่ท่านยังเป็นคารวาสว่ามุกุนทะก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปฟังประวัติของท่านชีวประวัติ ของโยคีก็คือชีวิตของท่านเองถ้าพร้อมแล้วติดตามฟังได้เลยนะคะกับตอนที่สามชีวิตโยคีของท่านประมะหังษาโยคานันทาค่ะ จดหมายที่แม่ของท่านได้ฝากพี่ชายเอาไว้มีใจความดังนี้ค่ะมุกุลทะลูกรักขอให้ถ้อยร้อยวาจาต่อไปนี้เป็นดั่งคําพรที่แม่จะให้ไว้กับลูกเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่แม่จะต้องพูดถึงเหตุอัศจรรย์หลายอย่างที่บังเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกถือกําเนิดมาแม่รู้ว่า เส้นทางชีวิตของลูกได้ถูกลิขิตเอาไว้แล้วตั้งแต่ลูกยังเป็นแค่ทารกน้อยๆในอ้อมแขนของแม่ตอนนั้นแม่อุ้มลูกไปหาท่านลาหิริมหัศยะที่เมืองพาราณสีแม่เข้าไปนั่งอยู่เบื้องหลังสานุกษิ์กลุ่มใหญ่มองแทบไม่เห็นท่านอาจารย์ที่นั่งเข้าฌานอยู่ทางด้านหน้าเวลานั้นแม่ได้แต่ตบก้นกล่อมลูกไปพลาง ในใจก็สวดภาวนาขอให้ท่านอาจารย์หันมาเห็นและประสาทพรให้กับเราแม่ลูกเมื่อแรงภาวนาของแม่ทวีกระแสะแรงกล้าท่านอาจารย์ก็ลืมตาขึ้นพยักหน้าเรียกให้แม่เดินเข้าไปหาสานุสิทธ์คนอื่นๆพากันหลีกทางให้แม่แม่ก้มตัวลงคารวะที่แทบเท้าท่านท่านอุ้มลูกขึ้นไว้บนตัก แล้ววางมือลงบนหน้าผากลูกในลักษณะการของการประสาทพรยายวมาตาเอย๋ยบุตรชายของเจ้าจักบวชเป็นโยคยีเขาจักเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนำพาดวงวิญญาณจำนวนมากให้ก้าวล่วงสู่อาณาจักรของพระเป็นเจ้าหัวใจของแม่พองโตด้วยความยินดีที่ท่านอาจารย์ตอบรับคำสวดภาวนาของแม่ ก่อนหน้าที่ลูกจะเกิดไม่นานท่านก็เคยได้บอกแม่เอาไว้แล้วว่าลูกจะดำเนินรอยตามท่านต่อมาแม่กับพี่โรมาของลูกยังได้เป็นประจักษ์พยานถึงนิมิตแห่งแสงทิพย์ที่บังเกิดขึ้นกับลูกในขณะที่เราทั้งสองเฝ้ามองดูลูกนั่งนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนเตียงจากห้องข้างๆใบหน้าน้อยๆของลูก ชายรัศมีเรืองรองเสียงของลูกยามเอ่ยถึงการไปสแสวงหาพระเพ็นเจ้าอย่างเทือกเขาหิมาลัยก็มีกังวลหนักแน่นนักลูกรักด้วยเหตุเหล่านี้แม่จึงได้ตรหนักว่าเส้นทางของลูกมิได้ตั้งอยู่ในวิถีทางโลกนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญที่แม่ได้ประสบมาด้วยตนเองอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งตอกย้ำ ให้แม่มั่นใจยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นเหตุผลที่ผลักดันให้แม่ต้องทิ้งจดหมายสั่งเสียเอาไว้ให้ลูกก่อนที่แม่จะสิ้นลมด้วยแม่ของท่านเล่าว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้คือการที่ได้พบกับสาธุรูปหนึ่งในรัฐบัญจาบสาธุ นักบวชผู้ถือสันโดษนะคะอุทิศตนให้กับการบำเพ็ญพรตแล้วก็ถือวินัยทางศาสนายอย่างเคร่งครัดค่ะแม่ของท่านเล่าว่าช่วงหนึ่งขณะที่ครอบครวัวพักอาศัยอยู่ที่เมืองลาฮอเช้า ว, วันหนึ่งหญิงรับใช้ก็เข้ามาบอกท่านว่ามี นักบวชท่าทางแปลกๆมาหาแล้วก็ยืนกลานว่าจะพบแม่ของมุกุลทะให้ได้คำพูดธรรมดาธรรมดานั้นกระทบใจแม่ของท่านอย่างจังแม่ก็รีบออกไปต้อนรับนักบวชท่านนั้นในขณะที่แม่ของท่านก้มตัวลงแตะเท้าของนักบวชเพื่อแสดงความคาระวะ นักบวชท่านนั้นก็กล่าวว่าเจ้าปู่เป็นมารดาเอ้ยบรรดาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายประสงค์ให้เรามาแจ้งแก่เจ้าว่าเจ้าจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานความเจ็บป่วยครั้งต่อไปของเจ้าจะเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาเหรียญเงินชิ้นหนึ่ง เราจะยังไม่มอบให้กับเจ้าในตอนนี้เพื่อพิสูจน์ว่าวาจาของเราเป็นความสัตย์เครื่องรางชิ้นนี้จะปรากฏขึ้นในมือของเจ้าขณะเข้าสมาธิในวันพุ่งเมื่อถึงคราวที่เจ้าจะจากโลกนี้ไปจงสั่งอนันตะบุตรชายคนโตของเจ้าให้เก็บรักษาเหรียญเครื่องรางไว้หนึ่งปีเมื่อครบกาหนดแล้วให้เขาส่งมอบให้กับบุตรชายคนที่สองของเจ้า มุกุลทะจะเข้าใจความหมายของเหรียญจากอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายเองเขาควรจะได้รับมันเมื่อเขาพร้อมจะสละชีวิตในทางโลกและเริ่มต้นออกค้นหาพระเป็นเจ้าอย่างจริงจังหลังครอบครองเหรียญเครื่องรางเอาไว้นานปีและหลังจากที่เหรียญได้ทําหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์แล้วเหรียญจะอันตรธานหายไปเองไม่ว่าจะเก็บซ่อนเอาไว้ดีแค่ไหน เรียนนั้นก็ยังจะกลับไปสู่แหล่งกำเนิดของมันอยู่ดีจากนั้นแม่ของท่านโยคานันทะก็แสดงความเคารพอย่างสูงแล้วก็ถวายทาน แต่นักบวชท่านนั้นไม่ยอมรับของถวายได้แต่ให้พรแล้วก็เดินจากไปเย็นวันต่อมานะคะขณะที่แม่ของท่านนั่งสมาธิโดยประสานมือไว้ด้วยกันก็ปรากฏเหรียญเครื่องรางในอุ้งมือของท่านตามที่นักบวชท่านนั้นได้บอกเอาไว้ทุกประการแม่ท่านก็เก็บรักษาเหรียญ น, นี้ไว้ด้วยความหวงแหนานานกว่า2ปี ท่านกล่าวในจดหมายว่าเวลานี้ก็จะส่งมอบภาระนี้ต่อไปอย่างอนันตะอย่าโศกเศร้ากับการจากไปของแม่ท่านอาจารย์จะนำพาไปสู่อ้อมพระกรของพระเป็นเจ้าลาก่อนลูกรักพระโลกกมามตาจะปกปักรักษาเจ้านี่คือเนื้อหาใจความ ในจดหมายของแม่ที่ส่งผ่านทางอนันตะพี่ชายคนโตของท่านนะคะเหรียญนี้เป็นรูปวงกลมค่ะมีลักษณะสวยงามตามแบบเหรียญโบราณและก็มีข้อความจารึกด้วยอักขระภาษาสันสกฤตซึ่งท่านโยคานันทะก็ตระหนักรู้ว่ามาจากบรรดาครูบาอาจารย์ในอดีตชาติ ที่คอยชี้นาทางให้กับท่านโดยไม่แสดงตัวเรื่องราวที่เรียนได้หายไปใน่้ำกลางมรสุมชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของท่านและการหายไปของเรียนได้ชักนําให้ท่านพบกับท่านอาจารย์ได้อย่างไรนั้นท่านโยคานันทะบอกว่ายัางไม่อาจจะเล่าให้ฟังได้ในบทนี้ต้องติดตามต่อไป คือหมายถึงว่าต่อไปในอนาคตเรียนนี้ก็ได้หายไปค่ะหายไปเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องมหัศจรรย์นะคะในชีวิตของท่านตอนที่ ท่านโยคานันทาอายุได้12ค่ะท่านก็อยากจะไปเที่ยวเมืองพาราณสีท่านก็ไปบอกกับพ่อบอกว่าพ่อครับถ้าผมสัญญาว่าจะกลับบ้านโดยไม่บิดพริ้วพ่อจะอนุญาตให้ผมไปเที่ยวเมืองพาราณสีไหมครับพ่อของท่านทำงานในบริษัทเดินรถไฟนะคะเพราะฉะนั้นการหาตั๋วให้เนี่ยไม่ใช่ปัญหา คือตอนที่ท่านโยคานันทะยังเด็กเล็กกว่านี้พ่อก็เคยอนุญาตให้ท่านไปเที่ยวเมืองใหญ่กับสถานที่สแสวงบุญมาแล้วปกติท่านจะมีเพื่อนร่วมทางอย่างน้อยก็หนึ่งคนเสมอในการที่จะเดินทางไปด้วยกันจากนั้นค่ะพ่อก็จะหาตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งให้เดินทางกันอย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นลูกๆเนี่ยจึงชอบใจกันมาก ที่พ่อทำงานในบริษัทเดินรถไฟครั้งนี้หลังจากที่บอกพ่อไปแล้วพ่อก็บอกว่ารับไว้พิจารณาตามความเหมาะสมหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นพ่อก็เรียกท่านโยคานันท้าไปพบแล้วก็ยื่นตั๋วรถไฟไปกลับบาเลรลี่พาราณสีให้พร้อมกับเงินหลายรูปีแล้วก็จดหมายอีกสองฉบับ พ่อมีข้อเสนอเรื่องงานให้กับเพื่อนที่พาราณสีเขาชื่อเกทานนาธบาบูแต่แย่หน่อยที่พ่อทาที่อยู่ของเขาหายแต่ถ้าไปหาท่านสวามีปราณพานันทะซึ่งเป็นเพื่อนของทั้งเขาและพ่อลูกก็น่าจะเอาจดหมายไปส่งถึงมือเขาได้ท่านสวามีเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันกับพ่อท่านบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วลูกจะได้ประโยชน์จากการไปพบท่าน ส่วนจดหมายฉบับที่สองนี้เป็นจดหมายแนะนำตัวลูกแต่บอกไว้ก่อนนะยาได้คิดหนีออกจากบ้านอีกพ่อกกำชับท่านโยคานันทะออกเดินทางด้วยจิตใจที่เบิกบานพอไปถึงพาราณสีค่ะท่านก็ตรงไปที่บ้านของท่านสวามีทันทีประตูบ้านเปิดทิ้งเอาไว้ ท่านก็ถือวิสาสะตรงดิ่งขึ้นไปยังห้องโถงยาวบนชั้นที่สองพอไปถึงก็พบชายร่างกำยำร่ำสันนุงพาโถตีก็คือพระนุง่งแบบอินเดียนะคะนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่บนยกพื้นเตี้ยเตี้ท่านโกนศีรษะและหนวดคราวบนใบหน้าอันอิ่มเ อ, อบิบไร้อรอยเหี่ยวยน่นจนเกลี้ยงเกลาคือใบหน้าอิ่มเ อ, อิบมากคือเรียกว่าหน้าหน้าใสาตึงเป๊ะนะคะ แรกท่านโยคานันทาก็รู้สึกอายเหมือนกันที่บุกรุกเข้าไปเหมือนกับคนไร้ามารยาทเพราะว่าไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ท่านสวามีก็ทักทายอย่างเป็นกันเองขอพรอันประเสริฐ จ, จงบังเกิดแก่เธอท่านโยคานันทะ ก็คุกเข่าลงแตะเท้าท่านเป็นการคารวะแล้วก็ถามว่าท่านสวามีปราณพานันทะหรือครับท่านสวามีก็พยักหน้าแล้วก็ถามว่าเธอคือลูกชายของท่านพระคภ า, าตีกระมังท่านเอ่ยถามก่อนที่ข้าพเจ้าจะทันควักเอาจดหมายของพ่อออกมาเสียด้วยซ้ํา ข้าพเจ้าส่งจดหมายแนะนำตัวให้กับท่านอย่างงงๆแต่จดหมายฉบับนั้นดูจะกลายเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นไปเสียแล้วฉันจะช่วยตามตัวเกทา น, นาธบาบูมาให้เธอยานทิพของท่านนำความประหลาดใจมาสู่ข้าพเจ้าอีกครั้งท่านกวาดสายตาอ่านจดหมายประหลาดๆแล้วเอ่ยถึงพ่อด้วยความนิยมรักใคร่ เธอรู้ไหมฉันกินบำนาญสองแห่งหนึ่งคือบำนาญที่พ่อของเธอทำเรื่องยื่นขอให้สมัยที่ฉันยังทำงานอยู่กับบริษัทเดินรถไฟอีกหนึ่งเป็นบำนาญที่องค์พระปิตามหาส่งประธานให้ฉันสละชีวิตหน้าที่การงานในทางโลกออกมาบำเพ็ญเพียรก็ด้วยสำนึกในพระเมตตาของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจความหมายของท่านเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานบำนาญแบบไหนให้ท่านครับส่งทิ้งเงินลงมาบนตักของท่านหรือครับท่านสวามีหัวเราะก่อนจะอธิบายว่าบำนาญ น, นั้นหมายถึงความสงบอย่างยิ่งเป็นรางวัลจากการคร่ำเคร่งปฏิบัติสมาธินานปี ตอนนี้ฉันไม่ปรารถนาทรัพย์สินสิ่งของเงินทองใดๆอีกแล้วชีวิตจะต้องการปัจจัยอะไรนักหนาเท่าที่มีอยู่ก็นับว่าเกินพอแล้วภายหน้าเธอจะเข้าใจความหมายของบำนานแบบที่สองนี่เองแหละจากนั้นท่านก็ยุติการสนทนาแล้วนั่งนิ่งด้วยท่าทีที่น่าเกรงขาม บรรยากาศรอบตัวให้ความรู้สึกเร้นลับตอนแรกดวงตาท่านเปล่งประกายคล้ายกำลังจ้องมองสิ่งที่น่าสนใจแต่แล้วก็อ่อนแสงมัวซัวลง <I am. S 1> การที่ท่านนิ่งไปทำให้ท่านโยคานันทะรู้สึกกระอักกระอ่วนแล้วท่านก็ยังไม่ได้บอกว่า จะหาตัวเพื่อนของพ่อได้จากที่ไหนเ <I am S 1> ขาพเจ้าสอดสายสายตาไปรอบห้องอันว่างเปล่านั้น <I am S 1> ซึ่งก็มีแต่เราสองคน <this> ก่อนจะไปสะดุดลงที่รองเท้าไม้ใต้ยกพื้นที่ท่า น, นั่งอยู่พ่อหนุ่มน้อยอย่า ก, กังวลไปเลย ผู้ที่เธอต้องการพบจะมาหาเธอภายในครึ่งชั่วโมงนี้แหละท่านสวามีอ่านใจเข้าไปเจ้าออกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรในสภาวะเช่นนั้น <am> แล้วท่านก็เงียบไปโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุอีกครั้งจนเข็มนาฬิกาข้อมือเดินผ่านไปแล้ว30นาทีท่านจึงได้ลืมตาขึ้น หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะ กำลังฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องชีวิตโยคียชวนมาตามติดชีวิตอันเรลล์ลับของโยคียค่ะเขียนโดยท่านปรมหังษายโยคา น, นันทะนะคะซึ่งเป็นโยคียชื่อดังชาวอินเดียซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาในหมู่ชาวตะวันตกค่ะท่านเขียนอัตตาชีวประวัติของท่านนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ดิฉันก็พยายามนํามา ถ่ายทอดเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อให้เราได้เรียนรู้วิถีของโยคีนักบวชในศาสนาฮินดูซึ่งก็มีความเร็นลับหลายประการนะคะถ้าเราเชื่อในเรื่องของอํานาจจิตเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมาฟังกันต่อว่าท่านสวามีปราณพานันทะจะไปตามหาเพื่อนของพ่อได้อย่างไรทั้งทั้ที่ท่านเนี่ย ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือเหมือนสมัยนี้ด้วยพอเวลาผ่านไป30นาทีท่านลืมตาขึ้นแล้วก็บอกว่าดูท่าเกทานนาธบาบูคงใกล้จะมาถึงประตูเต็มทีแล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นบันไดามา ก็ให้รู้สึกมึนงงนักสมองของข้าพเจ้าคบคิดด้วยความว้าวุ่นสับสนว่าเพื่อนของพ่อจะมาที่นี่โดยไม่มีใครไปบอกได้อย่างไรตัวท่านสวามีเองก็ยังไม่ได้พูดกับใครเลยตั้งแต่เรามาถึงที่นี่ข้าพเจ้าผุดลุกออกจากห้องไปโดยไม่คำนึงถึงมารยาทพอลงบันไดามาได้ครึ่งทางก็พบกับชายร่างผอมเพรียวผิวผ่อง สูงขนาดปานกลางเข้าคนหนึ่งท่าทางดูรีบร้อนมากเกทานานธบาบูใช่ไหมครับใช่เธอเป็นลูกชายท่าน พ, าพาระคภาตีที่มาคอยพบฉันกระมัง <_ maz. S 1> เขาส่งยิ้มให้อย่างเป็นมิตรแต่คุณครับคุณมาที่นี่ได้อย่างไรครับข้พาพเจ้ารู้สึกชะงนและออกจากขุนใจอยู่ครามครัน ที่หาคำตอบไม่ได้ว่าเขามาถึงที่นี่ได้อย่างไรวันนี้อะไรๆมันช่างดูลึกลับไปเสียทั้งนั้นเมื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนฉันเพิ่งเสร็จจากการลงอาบน้าในแม่น้าคงคาพอขึ้นจากน้ำก็เห็นท่านสวามีปราณพานันะตรงรี่เข้ามาหาฉันไม่รู้ด้วยซ้าว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่นั่นท่านบอกว่า ลูกชายท่านพักข้าตี้มารอฉันอยู่ที่บ้านท่านแล้วก็บอกให้ฉันมากับท่านหน่อยฉันก็รับปากด้วยความยินดีแต่แปลกจริงๆตอนเดินจูงมือกันมาท่านกลับเดินล้ำหน้าฉันไปทั้งทั้งที่ท่านสวมแค่รองเท้าไม้ในขณะที่ฉันสวมรองเท้าสําหรับเดินโดยเฉพาะแท้ แล้วท่านก็ถามฉันว่าคุณกะว่าวอีกนานไหมกว่าจะเดินถึงบ้านฉันฉันตอบไปว่าคงจะสักครึ่งชั่วโมงแล้วท่านก็บอกว่าท่านมีธุระอย่างอื่นต้องไปทําขอให้ฉันเดินไปบ้านท่านเองคนเดียวก็แล้วกันแล้วก็บอกว่าท่านกับลูกชาย ของท่านพระคภารตีจะรอฉันอยู่ที่บ้านท่านก่อนที่ฉันจะทันได้ทักท้วงอะไรไปท่านก็หายลับไปในฝูงชนเสียแล้วฉันก็เลยรีบจำอ้าวตามมาที่นี่ยังไงล่ะคำอธิบายนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกชงนสนเทศนักขึ้นไปอีกข้าพเจ้าซักต่อว่าเขารู้จักท่านสวามีมานานเท่าใดแล้ว เราเจอกันไม่กี่ครั้งเมื่อปีที่แล้วแต่ระยะหลังๆนี้ไม่ได้เจอกันเลยฉันดีใจจริงๆที่วันนี้ได้พบกับท่านอีกครั้งที่ท่าน้ำท่านโยคานันทะบอกว่าผมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยดูท่าผมคงจะเสียสติไปแล้วกระมังนี่คุณเห็นภาพนิมิตของท่าน หรือว่าคุณเห็นตัวท่านจริงๆกันแน่คุณได้จับมือท่านหรือเปล่าได้ยินเสียงฝีเท้าของท่านบ้างไหมพอถามไปแบบนี้เพื่อนของพ่อที่อุตส่ า, ารีบจำเอามาก็โกรธนะคะนี่ฉันไม่รู้ว่าเธอมีเจตนาอะไรฉันไม่ได้โกหกเธอไม่ลองตรองดูบ้างถ้าไม่ใช่ท่านสวามีไปบอกแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเธอมารอพบฉันอยู่ที่นี่ คือเกฐา น, นาธบาบูก็เข้าใจว่าลูกชายของเพื่อนเนี่ยหาว่าตัวเองพูดโกหกแต่ว่าท่านโยคานันทะในชื่อมุกุลทะนะคะตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่ผมเดินทางมาถึงที่นี่เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วมาท่านสวามีปราณพานันทะก็อยู่ในสายตาของผมมาโดยตลอด แล้วท่านก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เกทา น, นาธบาบูฟังแล้วก็ยังทวนบทสนทนาระหว่างท่านสวามีกับตัวเองแถมท้ายให้ด้วยเกทานาธบาบูก็เบิกตาโพลงนะคะด้วยความแปลกใจแล้วก็บอกว่านี่เราอยู่ในโลกแห่งความจริงหรือว่าความฝันกันแน่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้จะได้พบกับเรื่องปาฏิหาริย์ทนองนี้ แต่ก่อนฉันคิดว่าท่านสวามีผู้นี้ก็เป็นแค่คนธรรมดาอย่างเราๆแต่ตอนนี้ฉันกลับพบว่าท่านสำแดงร่างเพิ่มมาได้อีกร่างแถมยังทำอะไรต่อมีอะไรได้ดั่งใจซะอีกทั้งคู่ก็กลับเข้าไปในห้องของท่านสวามีด้วยกันเกทา น, นาธบาบูชี้นิ้วไปที่รองเท้าไม้ใต้ยกพื้นที่ท่านสวามีนั่งอยู่นะคะแล้วก็บอกว่า นี่ไงรองเท้าไม้คู่นี้แหละที่ท่านสวามีสวมไปตามท่านที่ท่าน้าแล้วก็นุ่งผ้าโทตีแบบเดียวกับที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละคือจำได้ว่ารองเท้าคู่นี้แล้วก็นุ่งผ้าผืนนี้เลยขณะที่ผู้มาเยือนสุดตัวลงคาระวะท่านสวามีก็หันมาทางท่านโยคานันทะด้วยรอยยิ้มขำๆนะคะ เหมือนกับจะรู้ว่าแขกผู้มาเยือนทั้งสองคนเนี่ยกำลังแปลกใจด้วยเรื่องอะไรเธอจะมาอัศจรรย์ใจกับเรื่องแบบนี้ไปใหญ่มีหรือที่โยคีที่แท้จริงจะค้นหาเอกภาพอันลี้ลับในโลกแห่งภาษานี้ไม่พบฉันสามารถไปพบปะพูดคุยกับสิทธิ์ที่อยู่ไกลถึงกนลกาต้าได้ในอึดใจพวกเขาเองก็เอาชนะอุปสรรค ในโลกแห่งวัตถุทาได้ดั่งใจนึกเช่นเดียวกันว่าแล้วท่านก็เล่าถึงอำนาจในการสื่อสารทางกระแสจิตที่เหมือนกับการรับส่งคลื่นวิทยุโทรทัศน์ทิป์อาจจะเป็นเพราะท่านอยากจะกระตุ้นอารมณ์ที่จดจ่ออยู่กับเรื่องทางจิตวิญญาณในอกของเด็กชายตัวน้อยให้เริงโรดขึ้นมาอีกครั้งกระมังแต่แทนที่จะ ก, กระตือรือร้อนสนใจ ข้าพเจ้ากลับรู้สึกหวาดหวัน่นพลันพลึงเหตุเพราะข้าพเจ้าถูกกําหนดมาให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งพระเป็นเจ้าภายใต้การอบรมสั่งสอนของอาจารย์ท่านหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวคือท่านคุรุสียุตเตสวนผู้ซึ่งข้าพเจ้าอย่างไม่ได้พบข้าพเจ้าจึงไม่มีจิตคิดจะฝากตัวเป็นศิษฐ์ท่านปราณพานันทะอยู่แม้เท่ากิ่งก้อยหนำซ้ํา ยังมองท่านอย่างไม่มั่นใจไม่รู้ว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นตัวจริงหรือเป็นเพียงร่างจำลองกันแน่แต่ท่านสวามีก็ลบล้างความว่าวุ้นในจิตใจของท่านโยคานันทะแล้วก็เล่าถึงท่านครุของท่านให้ฟังได้อย่างน่าเลื่อมใสว่าทัลาหิริมหัสยะ เป็นโยคีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาท่านคือพระเป็นเจ้าในรูปกายเนื้อโดยแทบข้าพเจ้าคิดในใจว่าขนาดลูกศิษย์ยังแบ่งร่างได้แล้วยังจะมีปาฏิหาริย์ใดที่ผู้เป็นอาจารย์จะกระทาไม่ได like ้คือลูกศิษย์ยังขนาดนี้แล <une useum> ้วอาจารย์จะขนาดไหนนะคะฉันจะบอกเธอว่า ความช่วยเหลือของอาจารย์นั้นล้ำค่าหาที่เปรียบมีได้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อก่อนฉันเคยนั่งสมาธิกับเพื่อนร่วมสำนักคนหนึ่งคราวละประมาณ8ชั่วโมงทุกคืนช่วงกลางวันเราต้องไปทำงานให้บริษัทเดินรถไฟฉันอยากจะอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับพระเป็นเจ้าซึ่งทำให้มีปัญหาในการทำหน้าที่เสมียนของฉันฉันพากเพียรทาสมาธิ คราวและครึ่งค่อนคืนนานถึง8ปีเต็มผลที่ได้รับคือชานของฉันแก่กล้าขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์กระนั้นก็ยังมีม่านบางๆขวางกั้นฉันออกจากพระเป็นเจ้าอยู่ดีถึงฉันจะคล่ำเคร่งทำสมาธิชนิดที่เหลือวิสัยมนุษย์ธรรมดาจะพึงกระทำได้ฉันก็ยังไม่อาจบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าเย็นวันหนึง่ง ฉันจึงไปกราบพบท่านลาหิริมหัสยะขอให้ท่านเมตตาช่วยอธิษฐานจิตให้ฉันฉันเฝ้ารบเร้าท่านอยู่ทั้งคืนโดยไม่ยอมหยุดท่านอาจารย์ขอรับจิตของกระผมรุ่มร้อนทุรนทุรายกระผมมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ ทำไม่สามารถเข้าเฝ้าต <the> ่อเบื้องพระพักพระเป็นเจ้าก็คือท่านก็ไปอ้อนวอนขอให้ท่านมหัศยะเนี่ยช่วยท่ลาฮิริมหัศยะยื่นมือออกมาประสาทพรให้กับฉันบอกว่าจงกลับไปแล้วจงทําสมาธิเราได้ช่วยอ้อนวอนพระพรมให้กับเจ้าแล้ว ฉันกลับบ้านด้วยใจที่พองฟูและในการปฏิบัติสมาธิในคืนนั้นฉันก็แต่บรรลุถึงความปรารถนาสูงสุดในชีวิตทุกวันนี้ฉันก็ยังดื่มด่ำอยู่กับบำนาญทางจิตวิญญาณโดยไม่สะดุดหยุดยัง้งนับจากวันนั้นองค์พระปิตามหาก็ไม่เคยห่างหายไปจากสายตาของฉันและไม่มีม่านมายาใดจะมาบดบังพระองค์เอาไว้ได้อีกเลย หลายเดือนต่อมาฉันกลับไปคารวะท่านลาฮิริมหัสยะอีกครั้งเพื่อขอบพระคุณที่ท่านได้มอบของขวัญอันประเสริฐสุดให้กับฉันแล้วฉันก็มีอีกเรื่องที่ต้องกราบขอคำแนะนำจากท่านด้วยท่านอาจารย์ขอรับกระผมไม่อาจจะทนทำงานต่อไปได้อีกแล้ว ขอท่านโปรดช่วยโปลดปล่อยกระผมด้วยเถิดขอรับเพราะในใจของกระผมมีแต่องค์พระปิตามหาเท่านั้นท่านลาฮิริมหัสยะก็ตอบว่า mm hmm. เจ้าก็ทำเรื่องขอกเกษียณเสียสิกระผมจะยกเหตุผลอะไรไปอ้างได้แลขอรับอายุงานก็ยังไม่ครบเลยเจ้ารู้สึกอย่างไรก็บอกเข้าไปอย่างนั้นวันรุ่งขึ้น ฉันทำเรื่องขอเกษียณและมีหมอมาซักถามสาเหตุที่ต้องขอเกษียณก่อนกำหนดซึ่งท่านก็ได้ตอบไปว่าเวลาทำงานท่านรู้สึกมีกระแสบางอย่างแปรปขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังแล้วก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างมันรุนแรงจนไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้หมอก็ไม่ถามอะไรต่อ แต่เสนอความเห็นว่าควรเกษยียณอย่างยิ่มแล้วไม่นานบริษัทก็อนุมัติเรื่องลงมาคือได้เกษยียณจริงๆซึ่งท่านก็คิดว่าเป็นเพราะท่านลาฮิริมหัสยะนี่แหละที่ส่งกระแสจิตมาชี้นำหมอกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทรวมทั้งพ่อของท่านโยคานันทะ ซึ่งเป็นพนักงานในบริษัทด้วยนะคะทำให้ท่านสวามีปราณพานันทะสามารถที่จ ะ, กะเกษียณได้รับอิสรภาพซึ่งท่านก็บอกว่าหลังจากนั้นท่านก็ได้อุทิศชีวิตไปกับการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ท่านสวามีปราณพานันทะ a เล่าเรื่องอันน่าอัศจรรย์จบลงท่านก็กลับคืนสู่ความเงียบอันยาวนานอีกครั้งขณะที่มุกุล t ะ a ดิฉันจะเรียกว่ามุกุล t ะกะละกันนะคะจะได้ไม่สับสนกับโยคีท่า น, อ, นอื่นในขณะนี้เพราะว่าตอนนี้ท่านยังไม่ได้เป็นโยคีมุกุล t ะก็เข้าไปแตะเท้าท่านเพื่อกราบลาซึ่งท่านสวามีก็ได้ให้พ่อนว่า ชีวิตของเธอต้องหันหลังให้กับทางโลกและก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งโยคะภายภาคหน้าฉันยังจะได้พบเธออีกครั้งพร้อมทั้งพ่อของเธอด้วยซึ่งหลายปีต่อมาปรากฏว่าคำทำนายของท่านก็เป็นจริงค่ะส่วนเกทา น, นาธบาบูก็เดินมากับมูกุนทะท่ามกลางความมืดที่ครอบคลุมอยู่รอบด้าน บุกุนทาก็ส่งจดหมายจากพ่อให้เกทา น, นาธบาบูก็เปิดอ่านโดยอาศัยแสงไฟจากเสาไฟริมถนนพ่อเธอเสนอตำแหน่งงานในสำนักงานที่กะลก้าต้าให้ฉันถ้าได้รับบำนาญแบบที่ท่านปราณพานันทะได้รับอยู่ก็คงจะดีไม่น้อยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉันไม่คิดที่จะไปจากพาราณสีทำไงได้ฉันยังแบ่งร่างไม่ได้นี่นะ ในครอบครัวของมุกุลทะนั้นมีความคือมีความไม่แน่ใจว่ามุกุลทะเนี่ยจะหนีออกไปจากบ้านหมื่นครั้งก่อนหรือเปล่าที่พยายามจะไปไป เ, เทือกเขาฮิมาลัยนะคะปรากฏว่าความคิดนี้ ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อมุกุลทะตัดสินใจนัดแนะกับเพื่อนเป็นเพื่อนนักเรียนนะคะเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมที่ชื่อว่าอามามมเตอร์นัดกันว่าจะหนีไปฮิมาลัยด้วยกัน แล้วก็วางแผนการทุกอย่างด้วยความรอบคอบประมัดระวังนายหาข้ออ้างสักข้อออกมาจากห้องเรียนให้ได้นะแล้วจ้างรถม้าไปจอดปลอในตรอกตรงมุมลับตาคนในบ้านของฉันด้วยมูกุนทะบอกกับอมามิเตอร์เพราะว่าพี่ชาย คอยจับตาดูอยู่คือพี่ชายคนโตที่ชื่อว่าอนันตะเนี่ยเชื่อว่ามูกุนทะฝังใจที่จะหนีไปหิมาลัยให้ได้ก็ตั้งใจที่จะขัดขวางน้องชายให้ถึงที่สุดแต่น้องชายก็ไม่ลดละและเครื่องรางคือเหรียญที่แม่ให้ไว้เนี่ยก็เหมือนกับเชื้อหมัก ที่กำลังทำหน้าที่อยู่ภายในใจอย่างเงียบเชียบเขาพเจ้าวาดหวังว่าในท่ามกลางหิมะแห่งแดนฮิมาลัยตนเองจะได้พบกับครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งดวงหน้าของท่านปรากฏให้เห็นในนิมิตอยู่บ่อยครั้งเวลานี้ครอบครัวของเราพำนักอยู่ที่กลากตตาที่ซึ่งพอถูกย้ายมาประจำอยู่เป็นการถาวรพี่อนันต ได้พาภรรยาเข้ามาอยู่ในบ้านตามธรรมเนียมการสืบสายตระกูลข้างพ่อของทางอินเดียเราในบ้านมีห้องใต้หลังคาเล็กๆที่ข้าพเจ้าได้อาศัยเป็นที่นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการออกสแสวงหาพระเป็นเจ้าเช้าของวันแห่งความทรงจำมาถึงพร้อมกับสายฝน ดูช่างไม่เป็นมงคลเอาซะเลยทันทีที่ได้ยินเสียงรถม้าของอามาดังกุบกับมาจากถนนข้าพเจ้าก็คว้าเอาผ้าห่มรองเท้าผ้าโทตีสองผืนสายประคำภาพถ่ายของท่านลาหิริมหัศยะและคำพีพระวัดขีตาบมามัดรวมกันเป็นหอ่อแล้วโยนออกมาจากหน้าต่างชั้นสามของบ้านจากนั้นก็วิ่งพรวดพลาดลงบันได มาเจอเข้ากับลุงที่กำลังยืนซื้อปลาอยู่หน้าประตูพอดีนั่นจะรีบร้อนไปไหนล่ะลุงกว่าตามองเข้าไปเจ้าอย่างสงสัยเข้าไปเจ้ายิ้มตอบแบบขอไปทีแล้วเดินออกจากบ้านเข้าไปในตรอกเมื่อเก็บห่อข อ, องได้แล้วห่อข อ, องที่ทิ้งลงมาเมื่อสักครู่นะคะก็ตรงไปสมทบกับอมามิเตอร์ เพื่อนที่นักแนะกันเอาไว้เรานั่งรถม้าไปศูนย์การค้าจันทนีชาวใช้เงินค่าขนมที่เก็บออมมาหลายเดือนซื้อเสื้อผ้าแบบชาวอังกฤษพอ ร, รู้ดีว่าพี่ชายผู้แสนจะปราดเปรื่องของเข้าพเจ้าอาจหันมาจับบทนักสืบเอาง่ายๆเราจึงคิดจะตบตาเขาด้วยการแต่งกายแบบคนยุโรป ระหว่างทางไปสถานีรถไฟเราแวะรับญาติของข้าพเจ้าคนหนึ่งชื่อโชตินาโคตแต่ข้าพเจ้าเรียกเขาว่าชตินทะ <c oughs> เป็นคนที่เพิ่งหันมาเลื่อมใสศรัทธาและปรารถนาจะได้ฝากตัวเป็นสิทธโยคีในหิมาลัยสักท่านหนึ่งเราเอาเสื้อผ้าที่ตระเตรียมไว้ออกมาให้เขาเปลี่ยนหวังใจว่าคงจะปลอมตัวกันได้แนบเนียนพอ คิดแล้วก็อดจะนึกกระยิมยิมย่องไม่ได้ทีนี้ก็เหลือแต่รองเท้าพ่อใบเท่านั้นข่าวของที่ทำด้วยหนังเป็นของที่ได้มาจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่สมควรจะนำติดตัวไปในการแสวงบุญครั้งนี้ข้าพเจ้านำขบวนเข้าไปในร้านที่มีรองเท้าพื้นยางวางขาย ขบเจ้าถอดปกหนังออกจากคัมภีร์พระควริกีตาแล้วปลดสายหนังคาดหมวกทรงอังกฤษทิ้งไปเสียด้วยกันคืออะไรที่เป็นการเบียดเบียนสัตว์เป็นชิ้นส่วนสิ่งที่ทำมาจากสัตว์ไม่เอาเลยจากนั้นก็ซื้อตั๋วไปเบิร์ดวานเพราะว่าได้วางแผนกันไว้แล้วว่าจะเปลี่ยนรถไปเมืองอ หร์ทวานตรงเชิงเขาฮิมาลัยกันที่นี่ทันทีที่รถไฟแล่นทยานออกจากสถานีเหมือนกับที่เพนนี้มามูกุนทาก็วาดภาพที่หวังเอาไว้ยอย่างสวยงามให้เพื่อนร่วมขบวนการได้ฟังเป็นตุเป็นตะลองนึกดูสิเราจะได้เป็นสิทธิ์ของครูบาอาจารย์ ได้ฝึกสมาธิจนบรรลุชานอันแก่ก้าเลือดเนื้อของเราจะกำซาบไปด้วยพลังจิตสามารถสะกดสัตว์ป่าในหิมาลัยให้เชื่องลงได้เมื่อพุกมันเข้าใกล้เราแม้แต่เสือร้ายก็จะกลายเป็นแค่แมวบ้านที่รอให้เราไปลูบหัวลูบหางให้คำพูดดังกล่าวเป็นการวัดหวังที่ข้าพเจ้าเห็นว่าหน้าหลงไหลได้ปลื้ม อามาตีเตอร์ยิ้มรับอย่างกระตือรือร้นในขณะที่ชตินทะเบือนสายตาออกไปยังนอกหน้าต่างมองทิวทัศน์ข้างทางที่ผ่านตาไปอย่างรวดเร็วฉันว่าเราแบ่งเงินออกเป็นสมส่วนดีกว่าชตินทะเอ่ยข้อเสนอพอไปถึงเบิดวานก็แยกกันซื้อตัว๋วคนที่สถานีรถไฟจะได้ไม่สงสัยว่าเราหนีมาด้วยกันข้าพเจ้าเห็นพ้องโดยไม่นึกระแวงแคลงใจ รถไฟเข้าจอดเทียบชานชาลาที่เมืองเบิดวานตอนพบค่ำชตินทะเดินหายก็ไปในห้องขายตัว๋วในขณะที่อามามิเตอร์กับมุกุนทะรออยู่ที่ชานชาลาสิบนาทีให้หลัง ก็ออกตามตัวชตินทะแต่ก็หาไม่เจอสองคนก็ช่วยกันค้นหาตะโกนเรียกด้วยความร้อนรนแต่ดูเหมือนว่าชตินทะได้หายไปในความมืดที่รายล้อมอยู่รอบสถานีเล็กๆแห่งนี้เสียแล้ว <am> ชตินทะหายไปไหน ติดตามเรื่องราวชีวิตโยคีตอนหน้าตอนที่4นะคะจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีของท่านปรามาหังษายโยคานันทะโยคีชื่อดังชาวอินเดียในสหรัฐอเมริกาที่เขียนหนังสือเล่มนี้เขียนเล่าประวัติของท่านตั้งแต่สมัยเด็กๆ เ, เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นหนังสือขายดีมาก พบกันใหม่ตอนหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะ